จะทำยังไงจะทำให้พระดีได้เหมือนกับตีหม้ออย่างนั้นน่ะตีค่อยตีแรงทั้งตีแรงทั้งตีค่อยตีแรงอย่างเดียวก็ไม่ได้มันพังงั้นแต่ตีค่อยอย่างเดียวก็ไม่ได้มันไม่เป็นรูปเป็นล่างการแนะนำสั่งสอนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะหลวงพ่อว่านะไม่ใช่ธรรมดาสอนพระสอนเนนสอนคู่สอนคน สรุปแล้วก็คือความรับผิดชอบตัวนี้แหละตัวนี้แหละสำคัญมากๆเลยถ้าไปอยู่น่าสถานที่ใดทินใดก็ตามขาดความรับผิดชอบไปอยู่ที่ไหนหนักวัดว่างั้นเถอะมาอยู่ที่วัดเราก็หนักวัดว่างั้นไปอยู่ในวงการไหนหนักวงการนั้นว่างั้นเถอะไอ้เรื่องความไม่รับผิดชอบเนี่ยความเห็นแก่ตัวเสอย่างพอเสร็จแล้วทิ้งขว้างให้คนอื่นคนอื่นเป็นคนดูเหมือนกับมาทานมาดื่มน้า มาใช้ซาลาเนะี่ยพอเสร็จแล้วนะั่นเปิดแหนบเนีคนอื่นเป็นคนดูแลปัดกวาดทําความสะอาดตัวเองมีต้มาใช้มาอยู่มาฉันเปิดแหนบอันนั้นเป็ว่าขาดความรับผิดชอบไปอยู่นสถานที่ใดหนักหมดเหมือนกันเถอะอยู่กับพ่อกับแม่ก็หนักใจพ่อแม่ไปอยู่กับญาติพี่น้องก็หนักใจพี่น้องไปอยู่ในวงการราชการวงไหนก็หนักราชการวงนั้นมาอยู่วัดก็ห น, นักวัดเหมือนกัน นี่แหละมันหนักวัดไม่ใช่หนักอย่างอื่นนะมันหนักตรงนั้นแหละแผ <c oughs> ่นดินมันจะหนักไปตรงไหนหลวงพอ่อหลวงพ่อทําไมไปหาหนักวัดหลวงพ่อได้แบกวัดใช่ไหมหอยไม่ใช่มันหนักคือความไม่รับผิดชอบนั่นนะเนี่ยการไปอยู่ใสถานที่ใดทินใดไม่รับผิดชอบนั่นแหละมันหนักวัดมั้งั้นแหละนี่แหละหลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกในเรื่องเหล่านี้แต่อีกอย่างหลวงพ่อก็จะได้เดินทางวันพุ่งนี้แหละ ไปทําธุระนะเพราะนั้นการอยู่พระของในวัดก็เหมือนกันพระในวัดอยู่ด้วยกันต้องมองการดูกันให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยถึงครูบาอาจารย์ไม่อยู่หลักพระธรรมวินัยก็ยังอยู่แต่องค์ใดก็ตามที่ลงที่ ผ, ผ่านมาหลวงพ่อเคยเห็นนะที่อยู่ด้วยกัน เวลาครูบาอาจารย์ไม่อยู่ ท, ทําท่าละหองละแหงออกนอกลูนอกทางพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหลวงพ่อก็มองเห็นองค์นั้นรู้สึกว่าไม่หนักแน่นไม่หนักแน่นรู้สึกจะไปนอกลูนอกทางไม่มีกฎเกณฑ์ลักษณะอย่างนั้นมันมองเห็นกันตั้งแต่เป็นพระน้อยพระหนุ่ว่างั้นเถอะถ้าว่าองค์ใดก็ตามอยู่คงเส้นคงวาปฏิบัติ ครูบาอาจารย์อยู่ก็ตามไม่อยู่ก็ตามปฏิบัติสม่ำเสมออันนั้นแปลว่าเป็นผู้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําครูบาอาจารย์อยู่จับไฟร้อนไหมครูบาอาจารย์ไม่อยู่จับไฟร้อนไหมมันร้อนอย่างเก่าเพราะฉะนั้นเราจะไปตื่นตนกทําไมเมื่อครูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาอย่างไรเราก็ควรปฏิบัติให้คงเส้นคงวาอย่างนั้นมันจึงจะถูกนะ ไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์เห็นแล้วแต่ทำท่าเป็นคนดีเป็นพระดีในเมื่อครูบาอาจารย์ไม่อยู่แล้วกเป็นออกนอกลูกนอกทางคุยขันขศขยงโขงเข่งไม่มีความเกรงใจเลยอันนั้นใช่ไม่ได้ไปอยู่นัสถานที่ใดก็นหนักวัดอย่างที่ว่าอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ดูตัวเองนะพูดทางนี้ทางนั้นให้ดูตัวเองอย่าไปมองออกไปข้างนอกมองตนเองอันนี้แหละ ภาคกรรมฐานท่านสอนกันสอนอย่างนี้ถ้าว่าใครก็ตามถ้าทำกรรมชั่วทำความชั่วในวงการพระพุทธศาสนาแล้วมันเข้ากันไม่ได้นะมันเข้ากันไม่ติดเพราะเหตุไรเหมือนกันน้ำกันน้ามันอย่างนั้นอะ่ะถ้าว่าตัวเองทำความชั่วในวัดวาศาสนาพอทำไปแล้วไม่มีใครรู้เห็นไหมพวกเราเคยเห็นไหมทำพิเศษแล้วเขาไม่รู้หรอก แต่วัดวาศาสนาในยังอยู่คนไปไทยมาอะไรก็เห็นอยู่วัดแต่คนที่ทำไปแล้วหายไปแล้วทำความชั่วขี้เสวัดวาศาสนาไปแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าตัวเองไม่เชื่อมั่นหรือไม่มั่นใจหรือจะไม่หนักแน่นในหลักพระธรรมวินยัยไม่อยู่ในกฎในระเบียบเราทำไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เราปฏิบัติตนไม่ได้เราจะอยู่ทาไม เราก็ต้องออกไปข้างนอกที่เขาเปิดรับอยู่เป็นคราวาตัตญาโยงก็ได้ถ้ามาอยู่เป็นพระก็ต้องทําตนให้อย่างพระอย่าให้เป็นพระนี่แปลกปลอมอคราวาัตกราบไหว้ไม่ลงอย่างนั้นไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเป็นพระเราทําตนให้เป็นพระที่สมบูรณ์ที่เขากร่าบไหว้ทุกวันนี้เขากล่าวไหว้เพราะอะไรเพราะกราวไหว้เพราะความประพฤติของเราทําเรามีเป็นผู้มีศิน สีลาจารวัตเป็นผู้มีศีลตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาจึงก่าบด้วยความสนิทใจแต่ถ้าว่าเราทำตนไม่ดีก็เหมือนกับเป็นสมณะเน่าในสมณะแกบสมณะเน่าในเห็นไหมไม้ที่มันโพรง่งมันไ ม, ไม้ไม่มีแก่นอย่างนั้นนะแต่ข้างนอกมันมีเปลือกเฉยๆดูแล้วก็มีแต่สีสะกับผ้าเหลืองหุ้มอยู่แต่จิตใจมันเน่า แล้วว่าสมณะเน่าในสมณะแก่ <c oughs> สมณะไม่มีแก่เพราะใ น, นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดนะอันนี้พูดเรื่องของพระนะ <c oughs> พวกศรัทธาญาติโยมกับพุทธบ ร, รษิษัทสเหมือนกันน่าจะฟังเอาไว้ <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงธ ร, รรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยมีในพระไตรปิฎกนะสมณะเน่าในสมณะแก่阿拉ชิตาผู้ไม่มีอย่างอาย พระอรชิตาพระอรชีเนะี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกได้ยินศัพท์เหล่านี้ทีเดียวมากทีเดียวในหลักพระวินัยนะเพราะนั้นพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินคําอย่างนี้นะแต่หลวงพ่อพูดให้ฟังเพราะพวกเราเป็นพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้สนับสนุนภิกษุสามนเณรเป็นผู้อยู่วงในนะเป็นผู้แนวหน้าเป็นผู้อยู่วงในปฏิบัติตนอย่างไร เธอรูปแล้วก็คือให้เป็นผู้มีศีลศีราจารวัตกิริยามรายาาตในเมื่อเป็นผู้มีศีลแล้วพระเป็นผู้มีศีลแล้วก็เป็นพระที่สวยงามน่ากราบไหว้แต่พระที่พวกเราได้ยินทุกวันนี่<ม>สื่อต่างๆเขาประโคมกันนะ่ะแปลว่าพระออกนอกลู่นอกทางแต่ตามไม่จริงเราจะประโคมอย่างนั้นก็ประโคมพระพุทธศาสนาก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันเพราะว่าพระ เขามาบวชเนี่ยไม่ใช่เอาพระหันมาบวชเออเอาลูกตาสีตาสาแตามีตามาบางทีสารเลวอยู่ทางโลกเอาไม่อยู่เออพ่อแม่เอาไม่อยู่เอาเข้ามาบวชเอ่อพอมาบวชแล้วจะมาประนามพระพุทธศาสานาอันนั้นแปลว่าเป็นความโง่ของคนที่ประนามแอบทำไมไม่สืบสาวเล่าเรื่องดูว่าพระองค์นั้นสมัยเป็นครวญเป็นอย่างไรแอบพวกเราเขาหน้าจะสืบสอบดอูไม่ใช่ว่ า, าไปอยู่ในอเมริกาแล้วจะดีหมด เร็วในเมืองไทยแล้วไปอยู่อเมริกาแล้วจะดีหมดไม่ใช่ประเทศอื่นมาอยู่ในเมืองไทยดีทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้ามันเร็วมาก่อนแล้วมันก็ต้องมาที่นี่มันก็ต้องหาวิธีเร็วอีกอย่างเก่าอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละอถ้าหาว่าเป็นคราว่าตเร็วเข้ามาสู่วัดมันก็ตรกษณะไม่ดัดแปลงตัวเองเหมือนมันเร็วได้เหมือนกันเพราะมันเคยเร็วมาแล้วอนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าเข้ามาแล้วถ้าหากว่า ไม่ปรับปรุงแก้ไขไม่ปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของตนเองแล้วไปอยู่ณสถานที่ใดก็มันก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกัน น, ะนะั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พูดทางนี้ทางนั้นนานๆจะได้พูดแนวปฏิบัติการเป็นอยู่ร่วมกันหรือการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้พวกเราได้ยินได้ฟังนะไปอยู่ณสถานที่ใดให้เชื่อให้เชื่อ กลัมเชื่อผลของกลัมกลัมคือการกระทําของตนเองนั่นแหะถ้าว่าตัวเองทําไม่ดีแล้วไปอยู่นสถานที่ใดก็ไม่ดีอถ้าว่าตัวเองทําดีแล้วอยู่นสถานที่ใดก็ดีดีหมดเพราะงั้นเพราะเองตัวเองทําดีเนี่ยเพราะนั้นไปอยู่นสถานที่ใดพวกเราทุกๆท่านนะอย่าให้หนักอย่าให้หนักวัดอย่าให้หนักใจจะให้นักหนักพระพุทธศาสนาอย่าให้หนักประเทศชาติบ้านเมือง ให้เป็นขยะของประเทศชาติบ้านเมืองให้เป็นเป็นผู้ส่งเสริมเพิ่มเติมเพิกพอกพูนขุนงามความดีเข้าหากันจะประเทศชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขมาอยู่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็เหลืองอาลามัมไปด้วยศีลและธรรมแต่หากว่าพวกเราคนนั่นก็ใช้ขี้โกดพวกนั่นก็ใช้ขี้โลกพวกนั่นก็ใช้ขี้หลงเขามาพอกพูนพุทธศาสนาพุทธศาสนาเลยเต็มไปด้วยขี้ทั้งหมดที่ไห ท่าว่าขี่วัวขี่ควายอย่างที่หลวงพ่อว่านใส่ต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้ยังเกิดประโยชน์นะขี่โลภขี่โกรธขี่หลงของมนุษย์เข้ามาใส่กันมีแต่เป็นฟืนเป็นไฟเผากันหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะว่าขี่โลภขี่โกรธขี่หลงขี่อยู่ในหัวใจของพวกเราเพราะนั้นคําว่าขี้ันเป็นของไม่ดีนะแต่ใช้ให้เกิดประโยชน์ขี่วัวขี่ควายเป็นปุ๋ยได้นะแต่ว่ขี่อย่างนั้นแปลว่าให้โทษทั้งนั้น เพราะนั้นพวกเราให้กําจัดให้ล้างให้ชําระล้างโดยศีลธรรมล้างจิตล้างใจของพวกเราพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจนะวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ า, เ ด, ออา เ, ดเดือนหนึ่งภาษาทางอีสานเรีว่าเดือนอ้แล้วเดือนเนี้ยเดือนหนึ่งเหมือนกัเดือนอ้เดือนอ้เดือนยี่ไปว่าเริ่มต้นใหม่วันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่าเดือนอ้าเดือนหนึ่ง ปี 2,551 นะแต่ตามไม่จริงจันทรคติเป็นอย่างนั้นนะแต่สุริยคติวันนี้เป็นวันที่17ธันวายังเป็น50อยู่ว่างั้นแต่ 2,550 อยู่แต่จะถ้าจันทรคติแล้วพวกเรา เ, าเป็นพระพระพุทธศาสนาในท่านนับทางจันทรคตินะเป็นวันที่อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว วันคืนเดือนปีล่วงไปขอให้พวกเราสำรวจตรวจตาดูตนเองจะตั้งอยู่ในความประมาทมันไหลไปไม่ใช่ไหลแต่วันคืนเดือนปีชีวิตของพวกเราก็ไหลไปด้วยวันนี้แกของเมื่อวานนี่นะแก่ไปเรื่อยๆ อ, อ, อ, อย่างหลวงพ่อเห็นไหมปีนี้ก็6หกสิบสองปีแล้วนะวันเมษาเนี่ยหกสิบสามแล้วปีนี้หกสิบสามแล้วไ ม, มไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มไม่ใช่พระธรรมดาล่ะ หลวงพ่อจะยืนยาวไปสักเท่าไรไม่มีใครที่รับประ ก, กันได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละไม่แพ้กันในชีวิตการเป็นอยู่เพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนอนใจพยายามสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้าว่าพบนี้ชาตินี้เหมือนเราไปทำมาค้าขายถ้าเราทำมาค้าขายได้เงินคาทรัพย์สมบัติ เ, เกิดพบหน้าชาติหน้าของเราก็จะเจริญ ทางว่าเอาพ้นทุกในวัฏฏะสงสารสิชาตินี้่ชำระใจให้บริสุทธิ์จ้ะรู้แจ้งเห็นจริงเบื่อนายใครจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสออกจากวงจรของโลกมืออกจากวงจรของวัฏฏะไปเข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรมเข้าสู่แดนมรรคผลนิพพานเข้าสู่แดนพระนิพพานไม่มาเวียนไหวตายเกิดอันนั้นดีที่สุดทางว่าพวกเรายังเวียนไหวตายเกิดก็ควรจะสั่งสม บุญกุศลเอาไว้ด้วยความไม่ประมาทท้าว่าเราเกิดมาพบได้ชาติใดก็จะได้พึ่งพาอาศัยบุญกุศลที่เราได้สั่งสมเก็บเอาไว้แต่ถ้าว่าพวกเราเอาถ้าทําให้หลุดพ้นซะในชาตินี้อ น, นั้นแหละเลิ่ประเสริฐตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนพวกเราทั้งหมดที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะทํายังไงอันนั้นต้องศึกษานะอไม่ใช่ว่าเราจะรู้ได้ไง่ายๆเหมือนกันต้องศึกษาเหมือนกัน เหมือนจะเราทำหน้าที่ราชการงานเมืองทำมาค้าขายกเกษตรกรรมอะไรก็ตามต้องได้ศึกษากันทั้งนั้นนะขนาดวิธีจะกินข้าวทานข้าวเขาก็ยังสอนกันมาต้องได้ศึกษาต้องได้เรียนรู้โดยกันทั้งนั้นแนหะไม่ใช่จะสยามผูรู้แจ้งโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าสยามผูแต่ถึงยังไงท่างก็รู้ซะก่อนเรียนรู้ซะก่อนท่านก็ได้เรียนอีกเหมือนกันนะจนถึงจุดหนึ่งท่านจึงได้สยามผูนะ แต่เบื้องต้นท่านก็ได้เรียนได้ศึกษาเหมือนกันแต่พอได้ท่านได้ตัดสรู้ท่านนั้นเองคึอนว่าเฉยมภูรู้แจงโลกโลกวิทูรู้แจงโลกทั้งหมดนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายาคิดว่าพอสมควรเอาตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร